จะเทศทังเรื่องของเป็นใหญ่มีอำนาจเหนือสิ่งหลกยวงมดซึ่งใครๆไม่สามารถจะลบล้างได้นั้นคือตัวมัจจุราชมีเสนามากมีตัวของเราเนี่ยมัจจุราชก็มาใจอื่นใหญ ที่เรียกว่ามาจูราเป็นยากคือความตายทุกๆคนนั้นต้องมีด้วยกันทั้งนั้นความตายที่ไม่พ้นสักคนเดียวนั่นจึงจะเป็นใหญ่ใ น, นคนทั้งวมวลหมดในโลกนี้ใครจะใหญ่แท้ใครจะใหญ่เลงต้องอยู่อำนาจของเขาทังนั้นมัด อคัิเยียปรามเนเวทเสสุเทจันดาและภูกเกสเกินจีปิวัตเจติและภูเมวาปิมัตเติคือว่าความเนื้อความนั้นว่ากระสัดกระดีคือพระเจ้าแผ่นดินอามหมาสานปรีพ่อค้าวานิสก็ตาม คนเทอยากเยื่อกวดถนนก็ช่างคนแม่แต่คนที่เขาเรียกว่าตาำตามที่สุดในสมัยนั้นคือคนพวกผส ม, มคนผส ม, มเรียกว่าจันทารเหล่านี้ล้วนแล้วแต่อยู่ในอนนานาจครอบครองขอ ง, ของมัจจุราชเดียวกันทั้งนั้น สัตว์ถึงแม้มีอิทธิพลมากมายมีจเจ้าแกลสาหานหลายภาพหลายหมก็ต่ า, ตามจะลบราฆ่าฟันด้วยวิธีต่งตางๆอย่างสมยัสมยนี้เรียกว่าปืนคนปืนใหญ่ลูกระเบิดเอาเถอะไม่สามารถที่จะเสวบมัไนได้ คำ ท, ที่ว่าอากษัตริย์ก็ดีผางก็ดีนี้เล่าเรื่องความเป็นาตายแบบนี้หน่อยกษัตริย์ก็คนเหล่านี้สมมติขึ้นคือมีคนกลุ่มหนึ่งเลือกเอาคนที่มีคุณธรรมน่าสาักดิรีเคารพนับถือบูชาแต่หากว่า เป็นชาวบ้านเดียวกันนี่แหละขึ้นได้เป็นกษัตริย์เอายังพากันสวยสาอากดคือว่าคนนั้นให้ปกครองหมู่เผือดดูแลความสุขทุกแบบดูแลการทะเลาะว่วาทุมเถียงเป็นกันเอนมีระเบียบเรียบร้อยชาวบ้านชาวเมืองเขาขอ เขาทรงสวยคือไม่ต้องทำไร้ไถนาจึงเรียกว่ากระสั์หรืออีกในหนึ่งกระสั์จะเรียกว่านักลบเพราะต่อมาคนมากขึ้นต้องวิวาทรอด ก, กันจะต้องเป็นนักลบอย่างเด็กจึงจะสู้เขาได้กริส์์เรียกว่านักลบ ต่อมาคืาขยายออกไปจนกระทั่งเป็นพวง ค, นคน์กรสกุลในสมัสยนี้นี่ยัยงลบไปอยู่ทุกวันนี้เนียเ่ยอวากาศพระเจ้าแผ่นดินก็เป็นจอมทัพเป็นทาหารเป็นจอมทัพพรามนะค่ะนี่พวกพร า, ามนั่นเขาไม่มีการทำไร้ไตรนากัน ถาว่าพราหมมวงคือวงของพราหมาเนะจะต้องประพฤติดพดพ่อแมาจันต์เกิดใหญ่ขึ้นมาแล้วจะต้องศึกษาเล่เ า, ร า, า, า, า เ, รเรียนตำราพราหมา์พิทยาฐานะของเรียนไอเรียนตําราของ พ, พรามานั่นแหละคำทีรามแล้วจบหมดเสก่อนจบแล้วก็ออกมา ปรพฤิโพธิ์สมัยก็ออกมาขอฐานเขาแล้วไปตอบแทนทดแทนบุญคุณอาจารย์ไม่มีเงินเดือนนัในอาจารย์สมัยนะั้นไม่มีเงินเดือนขอทานเขาได้ก็ไปทดแทนและคุณอาจารย์แล้วก็ออกเที่ยวฟ่าความเป็นโพธิมอาจันทร์ในฌานสมาธิสมาบัติ จนรับขันเลยไปสู่ภูมโลกนั่นเรียกว่าพามคือพรหมนั่นเองนั่นแหละพามแท้ทีเดียวนั่นพามแก่นร่อนทานพามณพาหมณ์แท้ทีเดียว น, นถ้ามีเช่นั้นศึกษาแล้วเรียนเจียววิชาแล้วทดแทนคนคุณแล้วอีกพวกหนึ่งกล้มา เป็นครูเป็นโรฮิตอาจารย์สอนพระเจ้าแผ่นดินแนะนำทำสอนอสนต่างอันนี้พวกหนึง่งพวกต่าไปกว่า น, นั้นอีกหาขอทานกินพวกนี้ตามบานน้อยเมืองใหญ่ขอทานกินไว้กันนะ่อีกพวกหนึง่งนแต่งงาน เท็าะในาพามในพวกาพามนะั่นแหละไม่แต่งพวกไม่ผสมพวกอื่นแต่แต่ข้อพามนะั่นเองอีกเครื่องหนึ่งทักสอนคือว่าป่าปนกันได้ผสมกันได้ไม่ใช่าพามแต่งงานได้อันนี้นาพามอย่างอย่างเร็วที่สุดพวกพามาวงนกเป็นอย่างนั้นเรียกว่าพามาวง พวกพามทั้งหมดนี่แหละก็อยู่ในเก่งของมัจุราชมัจุราชจาเป็นจะต้องครอบนํามมดและพวกธรรมดาคนมีการค้าขายหายอยู่อากินแลกเปลี่ยนกันด้วยกั น, กนต้องมีว่าแต่ไหนแต่ไหนมาการค้าการขายก็ดีต้องมีประจำโลกอยู่อย่างนั้นแล้วอีกพวกหนึ่ง เป็นคนใช้คือว่ากวดถนนน้นทางเทปิญญาที่เยื่อะอะไรต่างถ้าไม่มีพวกนี้ทั้งสามพวกทิ่กาวที่ที่เล่ามาเนะี่ยก็อยู่ไม่ได้อีกเหมือนกันจักรเพื่อพามือพวกพ่อข้าก็อยู่ไม่ได้มันต้องมีคนใช้กวดถนนน้นทางเทปิญญที่เยื่อะอะไรต่างๆมันจึงคย อ, อยู่ได้ อันนี้พวกพวกหนึ่งขนาดต่ำเร็วที่สุดคือพวกที่ประสงค์กันแต่งงานไม่ฝาฝนกนะันทั้งสีห้าพวกนี้แหละที่อยู่ในเกณฑ์ที่มัจจุราชวงล้อมรอบไปหมดไม่เกินขอบขายมัจจุราชสักคนเดียว จะลบลาด้วย ว, วิธีใดก็ตามถ่าตึกสอง้ามด้วยประการใดก็ตามพวกที่ลบลาค่าตึกต่างๆด้วยกองทัพต่างๆจะลบใครกันลบอะไรกันลบมัจจุราชลบที่ไหนกันแลวกะเจงกองทัพขึ้นมา เราตั้งกองทับขึ้นมาสายหมูทับหมูเราทับกระลุวนแล้วแต่อยู่ในขอบเขงของเจตหามาจุราเจตนาคืออะไรความเจ็บความป่วยความแก่ความเฒ่าความตายลองดูพวกนล้นนี่แก่ไหม ขนาดที่ลบขนาดที่เตรียมทัพอยู่นั่นแหะเก๊ไหมขนาดที่เตรียมทับอยู่นั่นนหะเจ็บไห ม, ม, นนะ ม, ไหมโรงพยาบาลก็ยังมีอยู่ไปไหนไไหนก็มีหมอมีมีหมอรักษาไหนคนที่สุดคนตายก็มาถึงยังมาแทนลบ ก, กับพยายามมาจุลา ตายใจก่อนแล้วก็มีคือพญย า, ยามาจุราเนี่ยมีเสนาหมานมากเขาธรรมดาครับเสนามาจุราเนั้นจะต้องอปีกซ้ายปีกขวาทับหน้าทับหลังทัพนัตทุกอย่างตัวของเราก็ลองคิดดูสตั้งแต่เกิดคือหมา มีเจ็บมีปวดนู้นปวดนี่<อ>มีแก่มาโดยลําดับมีเท่ามาโดยลําดับเครื่องแก่กับเท่านั้นเรียกว่าเซนามนเาเซลานั้นเนี่ยมันตีมันไม่เข้าโจบตีทีเดียวหรอกตีให้มันตีปีกท้ายปีกหรือให้กําลังมันอ่อนเอาไก่อนทอนกําลังเรเอาไก่อน ในคนที่จุดนอนอยู่กับเสื่อกับหมอนหายใจผวาแหวบๆบก่นนั่นน่ะมันจะซ้ำไปยามจิลาซ้ำมัดจุคือความตายหายๆไม่แล้อัดสักขดเดียวโลกอันนี้ที่เกิดเป็นคนที่เป็นมนุษย์หรือชัต์ต่างๆก็ตามเถอะ เกิดขึ้นมาแล้วเนในโลกอันนี้เรียกว่าอยู่ในวงเว็ดวงของมัจจุราชทั้งนะั้นเพจะเปรียบอย่างหนึ่งก็เหมือนกับตลางเราทุกคนอยู่ในเหมือนกับอยู่ในคุกในตลาดแต่ทำอะไรได้เดียวกัทำถึอเพิดเพลินรุ่มลงม้มมอลดยประการใด้ต่วยคนดำคนขาวคนเหลืองมีเมื่อกัน ก, ะกะอ้อนขี้ดินเหมืกะกะอนก้อนจินก่อนนะอย่างที่ว่ามาแล้วพิจารณาเห็นอย่างนี้เราคิดดูหายไม่จะหายต้องใส่เลยถ้าเห็นอย่างนี้จะหายไหมเห็นเป็นธาตุดินคือน้ำไปลมเห็นเป็นดินเป็นน้ำไม่เยอมมาประยุทธมาชุราคมขี่ได้เลยนี่เราทั้งหลายนะั้นจะพากันมววัวมัวประมาทอยู่อะไรกันอีก โอนอ ม, มาคาส่วนกมันโงเต้ามัวเมาอะไรประมาทอะไรในโลกอันนี้มีอะไรเป็นที่เพื่อเผื่อนเป็นที่ลุ่มหลงให้คิดถึงมัจจุราชได้ไม่มีอะไรุ่อะไรเป็นที่ลุ่มหลงหอกมันมีที่เพื่อเผื่อนเลยใน่ทาบมันจะเอาไปเมื่ อ, อไรครับ เ้าเกิดขึ้นมาได้เที่ยวอยู่ในอำนาจของเขาอยู่ในอำนาจของมันมันบัดช้าให้ตายเมื่อไรก็ได้ให้เจ็บให้ป่วยเมื่อไรก็ได้หรือมันช้าให้อยู่ไปก็ได้อันเราเนี่ยจะไปรุ่มหลงมัวเมาประมาณในเรื่องนั้นจะ้ที่ยว่าหลงในเงื้อมมือของมันแล้วก็ไมผิดอะไรกับพวกโจรเรียกคาไทย นั่งสนุกถนานเฮฮาอยู่เรียกว่าฆ่าไทยก็ยังสนุกเฮฮายควรที่จะคิดถึงตัวหาวัยเอาตัวรอดหาวายพ้นจากเงื่อมือของเขาด้วยการทําดีอุบายในที่จะพ้นจากเงื่อมือของเขาตรงทําอุบายนั้น ด้วยการทำทานก็ช่างถือรักษาศิลเปล่าโอนาเ็ลอานั่นเป็นการโทษจากมือมือของเขาโดยลำดับรักษาสินงดเว้นจากโทษอันนั้นแต่ชอวพคนจากมือมือของเขาโดยลำดับ ชิ้นห้างก็เอาชิ้นแตก็เอาหรือชิ้นจิตชิ้นร้อายี่สิบก็คือคนเก่งน่ะ ม, ออมือของเขาเป็ดปลอกอันปอกไปรูปายอันนี้พระองค์สอนให้เราปฏิบัติตัวแทนคนเก่งน่ะมือของเขานั่นเองแต่พระองค์ไม่ได้พูดอย่างนั้นแต่เอาเป็นเท่ากับ องศ์นิพนธจากเงื่อมือของเขาคือความชั่วความชั่วเอาไม่ผูกพันในดวงของเราแล้วมันก็ค่อยหายไปหมดไปอันนั้นเนี่ยเรียกว่ากฎจากเงื้อมือของเขาทันชั่วนักแน่นเขายิ่งตายเร็วยิ่งตายยิ่งตายไม่รู้แล้วรอบเป็นแทกที หัวหารกรรมฐานเนี่ยพูดกันว่าตัวตายไม่ใก่กลัวตา ย, ตายคืออยากตายได้ผลไม่อยอมสาระตนเองเพราะสาระนั้นนั้นเรียกว่าสาระกลัวตายมันความไม่สาระกลัวตายนั่นคืออยากตายได้ผลมันจะได้ตายได้แล้วเราอไมไม่แล้วสักที ขระความตายนะี่หมดห่วงหมดกังวลนั่นจิตใจใสสะอาดบ ร, ริสุทธิ์คนจากความตายการทำสมาธิยิ่งเป็นของคนง่ายที่สุดคือเราชำระจิตใจของเราไม่กังวลเกี่ยวขับคนีนะความงดไม่ข้องในจิตไม่ให้มี จนวางปล่อยวางหมจิตใจสว่างใจสะอาดบริสุทธิ์นั่นแหละจะหมดจากเวีนจากกรรมเวีนไม่มีกรรมไม่มีเวีนนั้นหนึ่งกรรมนั้หนึ่งไม่เหมือนกันเวีนคือการอันริงใหนที่ผูกเวีนกันเกี่ยวพันกันอย่างเรื่องท่านเล่าไว้ตัวเรื่อง <c oughs> นักที่หนีกับนางคุรธิดาลเล่าแล้วก็ยืดยาวโดยจะพาก็คือว่าผู้ชายคนหนึ่งมีลูกคนเดียวลูกชายคนหนึ่งใครลูกชายยายคนหนึ่งมีลูกคนเดียวปฏิบัติแม่ แม่ก็คิดสงสารเอ็นดูอปฏิบัติคนเดียวหน้าสงสารไปหาภรรยามาให้ใช้บอกอยาเถอะเราปฏิบัติคนเดียวดีกว่าเอามาเรียกกันรกิตรักใจมันาถูกใจกันเราแต่ทะเลาะวิวาดกันแม่พูดสองหนทั้งหนเลยหาผู้หญิงคนหนึ่งมาให้เป็นภรรยามาที่นีมันคดีดีด านานมากเลยเลยคิดเกียดในวันที่จุดจริงคนนั่นก็ไม่มีลูกอีกสล้วในไปหาสัญญาใหม่คนใหม่นี้เลยมีลูกเลยคิดอิจฉาเบียดเบียนเอายาให้กินไปตกลูกไปสองขนทั้งหมดเลยคนที่สามนี่ยไปรู้เรื่อง ว่ามันอิจฉาเบียเดเบียนเอาเองเลยขู่กรรมทำเวงกระตายไปเป็นตายไปอันนี้ผู้ภรรยาน้อยนั่นตายปเป็นแมวญาหลวงกระตายไปเป็นไก่เป็น ไ, ไก่ออกไข่มาตสองหอนสองหอยอักมาก็ไอแมวนั้นเคยไปกินใช่ ยังรู้เรื่องพออีกหลังมัรู้เรื่องเขาผูกเวีนอีกแหละตายเป็นเสือไก่ตายเป็นขวางอันนั้นก็อีกแล้วพอขวงออกลูกมาต้มาหนอนกินอีกหนนถางกินแม่มันอีกต่อมาเสือเนี่ยตายไป ไอ้ไอ้กวางอันนั้นตายไปเป็นยักษิทีนีไอ้เสืออันนั้นตายเป็นนางกุรธิดาไอ้เป็นเป็นไอ้เป็นยักษิทีนีกวางอันนั้นตายเป็นนางกครทิดาอีกล้ว ส, ส, สามหอนจินรูทั้งสามหนนี่หอนที่สี่นี้หอนที่สามนี่รู้เท่าเขาก็เลยหอบลูกหนีค้าตามี หอบลูกหนีไปอย่างบ้านไปในคนที่ตัวจะไปพบค่าสมาคมกับพัฒมาสมาังุูิเจ้าของเรากลังเทศนาอ ย, ยู่ยจนได้เข้าไปสู่นักขององค์เทศนาให้ฟังได้เกิดศรัทธาเลื่อมใสเลยเป็นมิตรเป็นสหายกันต่อมา เรื่องเวนเป็นอย่างนี้แหละผูรกรมทาเวงกันไม่ได้ตัดทิเวนเวนนี่คือเวียนนั่นเองเวียนต่อทำคมชั่วต่อกันนั่นเองอย่างพระพุทธเจ้าของเราเมื่อสมัยกระโ้นตั้งเสียทั้งไผเลยมาแล้วล่ะพระเทวท่าน์เป็นพ่กข้า บ้านเศรษฐีหนึ่งจึงตกทุกข์ได้ยากขายของมดในบ้านในเรือนยังขาดทองคำได้หนึ่งเพราะเดียวถ้าจะเห็นเขาเทธารู้เรื่องว่าเป็นทองคําแต่ขายที่เป็นแพงก็ไม่เอาเพราะว่านี่มันไม่ดีขายถูกนี้เอาเขาก็เลยไม่ขายเพื่อีไปทีหลังมา ถ้าคนที่สัว์ของเราครั้งนั้นสวยชาติเป็นกอค้าตามไปที่ไหงก็ไปเห็นคนนั้นถ่ายไปนั่นเขามันเป็นทองคําบอกว่าขายเท่าไหร่บอกว่าราคาพนันนี้ก็เลยบอกว่าอู้อยานี่มันราคาแพง ให้ ม, มากๆกว่า น, นั้นขอให้ให้ ม, มากๆกว่า น, นั้นแค่ของบอกว่ามันพราะค่าก่อไปก่อนนะมันให้ถูกถูงว่าของไม่ดียงของดีดนี่นะค่าทองคําเนี่ยก็เลยให้ของแพงพอดีพวที่ตัดนีไปหน่อยหนึ่งเนอะเทวทัดกลับคืนมาบอกว่าพราค่าคนหนึ่งออกไปแล้ว โกรธเนี่ยผูกหาฆ่าตั้งแต่นน้นเน่ยเสียตั้งใครก็เปี่ยนพองค์ไม่ได้ผูกเวรผูกกรรมมาเลยเลยจะติดพันกันมาอย่างนั้นมาชาติใดชาติไดพองค์ก็ไม่ก่อกรรมทเวีมันจะทำอะไรก็ทําตามเรื่องหรอนตามเรื่องของพระเจตาตากแต่พระองค์ไม่ก่อกรรมทวีอันนั้นเรียกว่าวีกรรมและขานี้ การก็ทําด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจคิดนึกอยากจะฆ่าเขาอยากจะฆ่าจะแกงเขาคิดดิสสารดเสียาพยาบาเทเขาอันนั้นเป็นมนุกรรมเป็นบาปแต่ไม่ถึงกับทำทำด้วยใจด้วยวาจาคู่คำหยาเสียดชี พุทธสว่าดิ์วาจาต่างๆกับคนที่อยู่ใกล้เคียงหรือคนอยู่ไกลกล็ตา่างให้เขาเจ็บช้ำน้าใจแล้วไม่ได้นคนนั้นมันจะโกรธหรือไม่โกรธกับช้ำอันนั้นเรียกว่ามนโนกรรมแต่มนโนกรรมนี้สามารถจะเกิดท่านั้นจะเกิดอโทสามานาขึ้นก็เป็นมนโนกรรมเป็นกายกรรมเลยเป็นกายกรรมอีก มนโกมมนการเปกนกายเป็นกายยกกรรมอีกจะเป็นเวดีต่อไปการทำความชั่วความผิดทุจริตต่างๆโดยการต่างๆที่พิจาสินด้วยกายเรียกว่ากรารแยกกรรมอันนี้เป็นกรรมไม่ใช่ไม่ใช่เว ไม่จะ่ทิศต่อกันไปนานเวนั้นจะแก้ไขกันได้ก็ต่อเมื่อต่อเมื่อมีชีวิตอยู่ให้อภัยกันได้ถ้าหากว่าอีกฝ่ายหนึ่งไม่มีชีวิตหรือตายไปแล้วเราอ้อนวอนร้องขอขอให้หมดกรรมเว น, เนั้นเถิดมันก็ไม่ํำเร็จนั้นเวน ส่วนกรรมอย่างที่ว่านี่มนโนกรรมเรากลับทำความดีคิดชั่วทําชั่วคิดลักคิดขโมยชอบของขาแต่เราไม่เรากรับตัวได้พนได้มีเรื่องกรรมให้เข้าใจทั้งเรื่องกรรมเรื่องเวรเวรนั้นหนึ่งกรรมมหนึ่งมาต่างกันอย่างนี้อันนี้อธิบายมามากมายแล้วเรื่องต่างๆ ว่าถึงเรื่องกา ร, รว่าถึงเรื่องไอ้มัจจุราชอีพีมัจจุราชเนี่ยมองเมียงอยู่ตลอดเวลามองเห็นเราอยู่ทุกเมื่อใครเจลลี่หลีดี้ทำยังไงก็เอาเถอะทำคนชัว่วทุกจลีรุ่พุทปีต่างๆไปทําให้ก็เอาเถอะเห็นอยู่ไงอย่างที่เขาว่าไม่มีในที่ลับ อย่างที่ท่านว่าไม่มีทําคลนชั่ ว, มวามีนในสิรพทําคลนชั่วมีการโกหกิดซื่อว่าทําคลมชั่วคงผิดอย่านั้นเปิดเผยจะดีกว่าอย่างแล้วโกรธคนหนึ่งคนอื่นอย่างเงี้ยเขาไม่รู้แต่วันจุราฯรู้แล้วรือเราไปบอกคนนะเสียฉันโกรธถือไว้โกรธอย่างนั้นอย่างนั้น ให้ภัยฉันทะหัวเลาะเลยคนนั้นให้อภัยทันทีท่านถ้าหากว่าอกปิดเลยมัจจุราชขึงอยู่เสมอขึงตาหมองอยู่เสมอไม่มีการละเว้นใดจึงว่าอย่าทำกรรมอันชั่วทั้งที่รับไปที่แจ้งทั้งกลางคืนในกลางวันมันจจุราชอยู่ตลอดเวลา การทำความดีนั่นเบิกบานในตัวของเราและคนที่เราคิดยึศษาปยาบาติเบีนยนก็ย่อมเบิกบานมีความยิมย้มแจ่มใสยังสามารถที่จะให้อุปา ย, ยอนไดอันหนึ่งแก่เราอีกับอีกํำและเชื่อใจของเราต่อไปทำอะไรเชื่อมดที่เราทำลงไปเพราะความดี ที่เราเปิดเผยความชั่วที่เราเปิดเผยให้เขานั้น่ะลองดูเถอะถูกแก้วตัวของเราเองเนี่นะคนใดมาทําความชั่วยเราเราไม่รู้ตัวถ้าเขาเปิดเผยให้เชื่อใจตลอดตอนตายคนนั้นเราเมื่อเราเห็นเช่นนี้เราเป็นเช่นนี้คิดได้อย่างนี้แล้วเราควรทํากับคนที่เราอิจฉาพยาบาทเรียนแต่ด้วยประการนี้ เอาละสนนั้นจนิตนาความตายถ้ามันเห็นนั่นเป็นเสนามันโน่นน่นออมาเห็นมันทุกข์วี่ทุกข์เววเห็นมันทุกข์แง่ทุกข์งอน<ม>เสนาข้องมาชิวลาชถ้าไม่เห็นมันลี้มันหลีกลี้นั่นแหละมันสามารถที่จออกมาเมื่อไหร่ก็ได้ โดยจะพาะนั่งอนี้แหละเนี่เก็เจ็บเมื่อยนันนี่นต่างนั้นเน่ยเซนาเขาหมดปวดเมื่อยนั่นนี่นั้นเซนาเขามาันเราไม่รู้เรื่องไม่เห็นเรื่องของมาันมันก็ยิ่งเอาใหญ่คือพิจารณาให้เห็นอย่างนี้อะไรมันเจ็บอะไรมันปวดอะไรมันเมื่อยตรงไหนมันเจ็บมันปวดมันเมื่อย เอาจิตมันเข้าไปพิจารณาตรงนั้นน่ะแข้งขาว่านอวัยวะมือเท้าทุกสิ่งทุกสว่วนมันไม่มีเจ็บหรอกมันเป็นอยู่ของมันยนั้น่ะตัวจิตนั่นไปยึดเอามันตั้งขาที่ว่าเจ็บว่าเจ็บมันจะยึดไปยึ ด, ยดทันทีเจ็บงายขันหาว่าเราไม่ไปยึด เป็นเรื่องของเขาตัางหาก็ไอ้เรื่องของเราลับปล่อยวางมากอย่างยเจนนามิริล่าไม่ทันนะครับตามไปทันเราหัดอย่างนี้พิจารณาอย่างนี้ให้เสมอเสมอจมนเราทั้งชำนีชํานาญเวลาจะแตกจะดักจริงๆริงหนังจังเราก็พิจารณาอย่างนั้น เนี่ยไปเอาเรื่องของของมันมาเป็นเรื่องของเราเอาเรื่องของเขามาเป็นเรื่องเอาเรื่องของมันมาเป็นเรื่องของเราไม่มีที่สิ้นที่สุดสักสีเกิดั้งเมื่อไหลมีรูปมีกายก็ต้องยึดอยู่ทางนั้นเนี่ยยังถืออย่างนั้นเนี่ยพวกเจ็บอย่างนั้นทำอย่างพระพุทธเจ้าของเราท่านเป็นตัวอย่าง ดับขันประเด็นนิพานแตดับตรงมองดูเห็นสภาพทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดมันดับอย่างนี้เป็นอย่างนี้เรื่อยวันกรรมทั้งหลายก็ตามไม่ทันเมื่อกายแตกเราไม่มีอะไรจะไปให้กรรมจิดตามหรอกหมดทั้งนั้นกับกรรมก็ดีเวทสมมติเท่านั้นย่าพระโมกพันลา คำฆ่าบิดามดานด่กันโอ้้งเป็น ต, งตังขับเจงกันมาเป็นพระทหารแล้วกันยังมีกายอยู่โจรตั้งตามมาฆ่าอยู่แต่ว่าท่านถ้าหากาท่านเจสัสออกมาเสียจากที่นั่นเสไม่อยู่ในที่นั้นมันก็ม่มันก็หมดเรื่องไปแต่ว่านี้ท่าน เห็นว่ากรรมของท่านมีท่ายังปล่อยที่เบื้องต้นท่านก็รีบเถอรีบเถอะไปจากที่นั่นแหละท่้นสามเดือนนูวงไปแล้วมันก็ตามมาตามกองไร่อยู่นั่นแหละเฮ้ยทำไมมันจะมากองไายเงี้เนาะวิจารณ์ยังรู้เรื่องว่ากรรมของท่านท่าก็ปล่อยให้มันทำนะมันทุกข์มันตีจนกระทั่งแหลกเลีวหมด เข้าใจว่าตายแล้วมันก็เอาทิ้งโยนทิ้งเขา้าป่าโยนหนีแล้วท่านก็นทิฐฐานในใจของท่านไ อ, ปอ้ประกอบกระดูกประกอบเนื้อหนังประกอบของเขาแล้วก็เหาะไปถวายต่อพระพุทธเจ้าแล้วก็นิพพานนั่นหมดธนัตกรรมไม่มีไม่มีเลือต่อไปอีก ากายกายที่แตกต่างไปแล้วหมดเรื่องความยิ่งขึ้นคามที่เวยอยู่บดตรงนั้นเห็นนั้นยังว่าให้พิจารณาตามรู้เรื่องของมันมันเจ็บมันปวดมันเมื่อยสารพัทุกอย่างกายของเรานี่ยแหละมันเป็นยังไงก็ถ้ามันรู้เรื่องของมันการพิจารณากายมันดีอย่างนี้แหละคือว่าวกายนี้จําเป็นจะต้องพิจารณาอยู่ตลอดเวลา ทิ้มไมด้เมื่อยังมันท่านแตกตับก็พิจารณาเยอะอย่างนี้เลยจนกระทั่งเห็นชัดแจ้งตามเป็นจริงเห็นทภาพตามเป็นเรื่องของมันยังปล่อยวางไปได้